เจริญพรท่านสาธุชนพุทธมรรคปุวาศโกปุวาศีกา ท, ท, ท, ท, ท, ทุกฝ่ายธรรมทุกๆท่านวันนี้เป็นวันอังคารที่22เลสาโยนพุทธศักราช2557เป็นวันพระ วันมงคลอย่างยิ่งเองมันพอพระพุทธเจ้าได้ทรงกล่าวไว้ว่ากาเลนะธรรมะสวสดนาเอตัมมาราบุตตาการได้ยินได้ฟังธรรมตามกาลตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งการฟังธรรมตามกาลตาม ก็คือฟังในวันธรรมวัฒสวนสนีเองอย่างน้อยสาธุชนควรจะหันจิตหันใจเข้าหาพระธรรมคำสอนขอพระพุทธเจ้าสักหล่นครั้งเพื่อเป็นการเติมแสงสว่างให้แก่ชีวิตที่ยังมืดบอดอยู่ชีวิตของเราี่ เหมือนกับเดินอยู่ในที่มืดถ้ามีไฟฉายก็สามารถที่จะส่องไฟดูทางดูอะไรได้แต่ถ้าทางหมดก็ต้องไปเปลี่ยนทางใหม่ไปชาร์จแบตใหม่ฉันไดในการมาวัดทุกวันพระวันธรรมบัศวาณนี้ก็เพื่อมาชาร์จแบตบ มาเติมแสงสว่างที่จะนำพาชีวิตของเราให้ไปสู่ความสุดและความเจริญสู่วามเป็นเสริกมงคล น, นั่นเองการฟังธรรมนี้จะเป็นมงคลก็ต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่สนุกายวาจาสงบเรียกว่าสลใจสงบ เรียกว่าสมาธิถ้าเราฟังธรรมโดยมีสีงมีสมาธิเป็นภาชนะรองรับธรรมของพระพุทธเจ้าเราก็จะได้เกิดปัญญาได้ความสุกได้อนิสสอห้าประการที่จะเกิดจากการฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมคือหนึ่งจะได้ยินได้ฟัง เรื่องที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน 2. เรื่องที่เราเคยได้ยินได้ฟังแล้วพอได้ยินซ้ําอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดั บ, ดบสจะกําจัดความรำเลสงสัยให้หมดไปได้ 4. ทําให้มีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องห้า ทำให้จิตใจโปร่งใสสงบมีความสุขนี่แหละคือมงคลที่ทศเจ้าได้สรงมอบไว้ให้กับการสแสดงกับการฟังเทศฟังธรรมตามการ ต, ต, ต, ตามเวลาเวลาเราฟังธรรมเราจึงต้องไม่ทำอะไรควรจะนั่งเฉยๆไม่ควรพูดอะไรถึงจะเรียกว่าเป็นศีล และใจของเราก็ไม่ควรคิดอะไรควรตั้งใจฟังฟังเสียงธรรมที่มาสัมผัสกับหูแล้วก็เข้าไปสู่ภายในใจถ้าเราไม่ได้นั่งเฉยเฉยไม่ได้ไม่ได้ไไดนิ่งไม่ได้พูดอะไรถ้าเราทำนู่นทำนี่พูดกับคนนั้นพูดกับคนนี้ คำ ท, ที่เราได้ยินได้ฟังก็จะเข้าหูซ้ายออกหูขวาไปเพราะว่าเราไม่ได้รับรู้ว่าเสียงคำที่มานั้นกำลังมีความหมายว่าอย่างไรนั่นเอง้ถ้าใจของเราไม่นิ่งไม่ตั้งมั่นไม่คอยรับฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าบัวแต่ไปคิด ถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้ฟังแล้วก็จะไม่เกิดความเข้าใจไม่เกิดความสมุบไม่สามารถกาจัดความลังเลสงสัยให้หายไปได้นี่คือการฟังธรรมต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบถ้าฟังด้วยศีลด้วยสมาธิก็เรียกว่าฟังแบบ ลิ้นกับแกงถ้าฟังแบบไม่มีสีไม่มีสมาธิกายไม่สงบตาจะาไม่สงบใจไม่สมบงบก็เหมือนกับฟังแบบทับพีในหม่อแกงทับพีนี้ต่อให้อยู่ในหม้อแกงนานสักเท่าไหร่ก็จะไม่สามารถรู้ได้ว่าเป็นแกงชนิดใด แต่ถ้าลิ้นได้สัมผัสกับรสของแกงเพียงหยดเดียวก็จะรู้ทันทีว่าเป็นแกงชนิดไหนเช่นเดียวกับการฟังเทศฟังธรรมแบบทับพบีในนอแกงหรือแบบลิ้นกับแกงถ้าฟังทับพบีในนอแกงฟังไปอีกร้อยปีร้อยชาติก็จะไม่ได้เกิดประโยชน์อะไร เหมือนกับทัพบีที่อยู่ในหม้อแกงอยู่ไปอีกร้อยปีร้อยชาติทัพบีก็จะไม่มีวาันรู้ว่าเป็นแกงนายแต่ถ้าฟังแบบลิ้นกับแกงนี้ฟังเพลงแค่ประโยชน์เดียวสองประโยชน์ก็จะได้รับประโยชน์อย่างในสมัยพระพุทธการพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมสั้นๆเพลงธรรมสองครั้ผู้ฟังก็สามารถปรรลุ เป็นพระอาหารหันต์ได้มีกรณีอยู่กรณี น, นีคือมีชายคนหนึง่งยังไม่ได้บวชเป็นคาราวา่าแต่ได้ทราบกิติศัพท์ว่าพระพุทธเจ้ามีความรู้ความสามารถเป็นพิเศษก็อยากจะมารับความรู้จากพระพุทธเจ้าแต่ตอนที่มาพบพระพุทธเจ้านั้น พระพุทธเจ้ากำลังบินฑบาตอยู่แต่ก็เข้าไปกราบขออนุญาตขอให้โตรได้แสดงธรรมให้แกต่ตนพระพุทธเจ้าทรงจัด ว, ว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาเพราะเวลานี้เป็นเวลาบิณทบาตแต่ชายคนนั้นก็ยืนยันอีกว่าได้โตรเถอ ช่วยกรโนาแสดงทําให้แก่ข้าพเจ้าด้วยแม้จะเป็นเพียงคำสองคาข้าพเจ้าก็จะพอใจพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าชายคนนี้มีความตั้งใจมีความอยากรู้ธรรมมากพระองค์จึงทรงตรัสไปสั้นๆว่าไม่ว่าเธอจะเห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นไม่ว่าเธอจะรู้อะไรก็สักแต่ว่ารู้ ไม่ว่าเธอจะได้ยินอะไรก็รสักแต่ว่าได้ยินพระองทรงตัดสั้นๆเพียงเท่านี้ชายคนนั้นก็เข้าใจบรรลุธรรมได้เพราะหลังจากที่ได้ฟังแล้วก็เกิดศรัทธาขอบวชกับพระพุทธเจ้าขออนุญาตนาไปเตรียมอัถาวริขาในระหว่างทางที่ไปเตรียมการนั่ง ไปเจอกทะินดูดเข้าโดนกระทินดูนั้นขวดตายพอความทราบถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสให้ทำชาปน ก, กิจกับชายคนนั้นเสร็จแล้วให้เก็บอัฐิบรรจุไว้ในสถูปให้สร้างสถูปเพื่อบรรจุอัฐิของชายคนนั้น การที่พระพุทธเจ้าให้เอาอัฐิไปบรรจุในสถุวก็สแสดงว่าทรงรับว่าบุคคลนี้ได้บรรลุเป็นพระอาราหันต์แล้วเพรา ะ, ะ, ะ, ะ, ะ, ะในสมัยพุทธกาลจะมีขนมทรมเยมประเพณีสร้างสถูวสร้างเจดียด์ไว้สำหรับบรรจุอัฐิของบุคคลสัมพันห้าบุคคลด้วยกันคือหนึ่ง พระพุทธเจ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสองพระพระปฏิเจเกพุทธเจ้าสามพระมาหาจาักรพัทและสี่พระอรหันตสาวกสี่บุคคลด้วยกันไม่ใช่5าที่เป็นธรรมเนียม ว, ว่าหลังจากที่ท่านตายไปแล้วก็จะสร้างสัตรูสร้างใจดี เพื่อบรรจุอัฐินีไว้ให้เป็นที่ระลึกแก่นอนุชนที่จะตามมาในภายหลังให้เขาได้รู้ว่าในการครั้งหนึ่งได้มีบุคคลที่พิเศษกว่าบุคคลทั่วไปได้มาเกิดในโลกนี้คือได้เกิดเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระปเจ ก, กพระพุทธเจ้าเป็นพระอาลาัรตัสสาวะ เป็นพระมหาจักรพรรดิบุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลที่หายาผู้ใดได้กราบไหว้สักการะบูชาก็จะได้รับมงคลคือบูชาจะปูชนียนังเอตัมมังกลมุตตมังการได้บูชาบุคคลที่สมควรแก่การบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่ง แต่การบูชานี้ก็มีอยู่สองลักษณะด้วยกันคืออามิสบูชาและปฏิบัติบูชาอามิสบูชาก็คือการนาเอาดอกไม้ทุบเทียนมากาบไหว้สักการะกับบุคคลนั้นส่วนปฏิบัติบูชาก็คือการปฏิบัติตามคำสอนปฏิบัติตามเยี่ยงอย่างที่ดี ของบุคคลที่เรากราบว่าเคารพ บ, บูชาพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าการบูชาที่แท้จริงต้องเป็นการปฏิบัติบูชาเท่านั้นการอามิสบูชานี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเพื่อที่จะนำไปสู่การปฏิบัติต่อไปเพราะเวลาเราได้เข้ากราบว่ารูบาอาจารย์ เราก็จะได้รับโอวาสได้รับคำสอนพอเราได้รับโอวาสได้รับคำสอนแล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องน้อมนำเอาโอวาคสคาสอนอันประเสริฐนี้มาปฏิบัติพอปฏิบัติแล้วเราก็จะได้รับผลอันเลิกอันประเสริฐต่อไปเราก็จะได้บูชาผู้มีพระคุณ บุคคลที่เราสมควรบูชาเพราะสิ่งที่ท่านต้องการให้เราได้รับก็คือให้เราได้บรรลุธรรมนประเสริญนี้เท่าน<ม>ั้นท่านไม่ได้หวังอะไรจากเราไม่ต้องการเข้าของเงินทองสิ่งสการะอะไรต่างๆเพราะตัวท่านเองนั้นมีควา ม, เ ต, มเต็มเปลี่ยนมีความอิ่มด้วยความอิ่ ม, ด, ม, มด้วยความพอ ไม่ต้องการอะไรเพราะไม่มีอะไรจะให้ความสุขกับท่านได้มากกว่าความสุขที่ท่านมีอยู่ภายในใจความสุขที่ท่านต้องการให้เราได้สัมผัสได้รับรู้ได้เป็นเจ้าของนั่นเองพอเราน้อมนำเอาอไปปฏิบัติท่านก็จะมีความชื่นชมยินดีมีความสุขใจที่ไม่เสียเวลา ที่อุตสาห์ว่ากาวสั่งสอนนี่แหละคือเรื่องของการฟังธรรมตางการตามเวลาฟังด้วยกายวาจาใจที่สนุกและเราจะได้รับอนิสงส์ต่างๆการฟังธรรมนี้ก็มีฟังได้สองแบบด้วยกันฟังเพื่อให้กำจัดความสงสัย ฟังเพื่อให้เกิดสมาธิที่ความเห็นที่ถูกต้องหรือฟังเพื่อให้เกิดความสงบให้มีสมาธิขึ้นมาการฟังก็สามารถฟั ง, ฟงได้สอแบบการฟังแบบให้เกิดสมาธิก็คือเวลาเราฟังธรรมไปแล้วเราไม่สามารถที่จะพิจารณาตามได้พราะควาสิ่งที่ท่านแสดงนี้ อาจจะเป็นความรู้ที่ลึกซึ้งหรือสูงกว่าที่ปัญญาของเราจะตามได้จะพิจารณาตามได้ถ้าเราไม่สามารถพิจารณาคำสอนที่เราได้ยินให้เกิดความเข้าใจได้สิ่งที่เราควรจะทำก็คือให้เราเกาะติดอยู่กับเสียงธรรมที่มาสัมผัสกับหู คืออย่าปล่อยให้ใจเราไปคิดเรื่องอื่นให้ฟังให้เกาะติดอยู่กับเสียงนั้นไปเรื่อยๆเราเสียงนั้นจะพาให้ใจเข้าสู่ภาสมน์เพราะเสียงของธรรมนี้ก็เป็นเหมือนกับการนั่งบริกรรมพุทโธพุทโธนี้เองแต่เวลาเรานั่งฟังธรรมนี้เราจะไม่บริกรรมพุทโธ เราจะไม่ดูลมหายใจเข้าออกเราจะใช้ธรรมะเป็นธรรมเป็นอารมณ์ทาให้ใจของเราสงบดังนั้นเวลาฟังเทศฟังธรรมอย่าบริกรรมพุทโธอย่าสวดมนต์ไปในใจอย่าดูลมหายใจเข้าออกให้ฟังเสียงธรรมเพียงอย่างเดียวถ้าไม่สามารถพิจารณาตามได้ก็ให้ฟังเสียงไปเรื่อย แล้วเสียงนี้จะกล่องให้ใจเข้าสู่ความสงบเป็นสมาธิได้แต่ถ้าเรามีปัญญาที่สามารถพิจารณาเหตุผลของธรรมที่แสดงได้เราก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาเกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นมาเกิดความรู้ที่จะสามารถดับความลังเลสงสัยให้หมดไปได้ นี่คือการฟังฟังได้สองรูปแบบถ้าเราฟังแบบปัญญาเราก็จะได้ยินได้ฟังเรื่องที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเพราะเรื่องของธรรมะนี้เราจะไม่ได้ยินตามแหล่งต่างๆเช่นตามสื่อต่างๆทางโลกจะไม่มีการนำเอาเรื่องของธรรมะมาพูดมาคุยกัน การจะฟังธรรมนี้จะได้ยินธรรมะนี้ต้องฟังพระธรรมเทศนาเท่านั้นถึงจะได้ยินเรื่องราวที่เราจะไม่ค่อยได้ยินได้ฟังกันเรื่องราวอะไรที่เราไม่ค่อยได้ยินได้ฟังกันก็คือเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องเหตุของนรกก็คือการกระทำบาเรื่องเหตุของสวรรค์ก็คือการกระทำดี เรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องของการยุติการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องราวเหล่านี้เราจะไม่ได้ยินได้ฟังตามสื่อต่างๆเพราะบุคคลที่เผยแพร่สื่อต่างๆนั้นไม่มีความรู้ทางธรรมนั่นเองเราจึงต้องฟังเทศช่องธรรมเข้าวัดเราถึงจะได้ยินได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้ พอเราได้ยินได้ฟังแล้วเราจะได้ใช้ความรู้อันนี้เป็นแสงสว่างนำพาชีวิตของเราให้ไปสู่จุดหมายปลายทางที่พวกเราทุกคนต้องการไปกันพวกเราทุกคนต้องการอะไรต้องการความสุขต้องการความเจริญต้องการอยู่ห่างไกลจากความทุกจากความเสือ่อม จากความวุ่นวายใจต่างๆเราก็ต้องรู้เหตุว่าอะไรทำให้เรามีความสุขมีความเจริญอะไรที่ทำให้เรามีความทุกข์มีความวุ่นวายใจก็คือการทำบุญกับการทำบาปนี่เองถ้าเราทำบุญแล้วใจของเราจะมีแต่ความสุข จะมีแต่ความเจริญถ้าเราทำบาปใจของเราก็จะมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเสื่อมมีแต่ความวุ่นวายใจเพราะใจของเรานีเป็นผู้กระทำและเป็นผู้รับผลของการกระทำผู้อื่นไม่สามารถที่จะให้ใจสุขให้ใจทุกข์ได้ ใจเท่านั้นเป็นผู้ทำใจของตนเองให้สุขหรือให้ทุกข์อย่างนั้นถ้าเรารู้ว่าวิธีนี้ทำให้ใจของเราสุขเราก็ทำไปวิธีนี้ทำให้ใจของเราทุกข์เราก็อย่าทำไปพอเราไม่ทำไปใจของเราก็ไม่ทุกข์ใจทุกข์นี้ก็คือเนรกนี้เองส่วนสวรรค์ก็คือใจสุข ความสุขใจนี่แหละเรียกว่าสวรรค์สวรรค์นรกนี้ไม่ได้เป็นสถานที่อย่างที่เราคิดกันเราอาจจะคิดว่าสวรรค์อยู่บนฟ้านารกอยู่ภายใต้ปฐพีอยู่ใต้ดินอันนี้ไม่ใช่เป็นสวรรค์ไม่ใช่เป็นนรกตราให้ขุดจะลึกลงไปในพื้นดินไปลึกขนาดไหนก็ตาม จะไม่มีวันที่จะเจอนรกได้ส่วนสวรรค์จะทรงญาณอวกาศให้ขึ้นไปสำรวจไปไกลขนาดไหน <c oughs> ก็จะไม่สามารถพบสวรรค์ได้เพราะสวรรค์ไม่ได้อยู่บนท้องฟ้านารกไม่ได้อยู่ใต้ดินนั่นเองสวรรค์ น, นรกนี้อยู่ในใจของเราดังที่มีคําพูดว่านารกอยู่ในอกสวรรค์อยู่ในใจ แต่ใจนี้ไม่ได้อยู่ในร่างกายของเราใจของเรานี้อยู่ในโลกทิพย์ไม่ได้อยู่ในโลกของร่างกายโลกของร่างกายนี้เราเรียกว่าโลกกะทา์โลกของใจนี้เราเรียกว่าโลกทิพย์ใจเป็นกายทิพย์เป็นร่างทิพย์ไม่มีรูปร่างเหมือนกับร่างกายของเราเราจะเห็นใจของเราได้ก็เช่นตอนที่เวลาเราฝัน เวลาเรานอนหลับแล้วเราฝันเราจะเห็นรูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์แต่เวลาเราตื่นขึ้นมาเราก็จะเห็นแต่รูปอยาเสียงอยาตาตาทิพร่งงางกายที่ยาเราใช้ตาอยาดูรูปอยาใช้หูอยาฟังเสียงอยาแต่เวลาเรานอนหลับนี้เราใช้กายทิพย์ใช้ร่างทิพย์ ใช้หูทิพย์ใช้ตาทิพย์ไว้ดูรูปทิพย์ไว้ฟังเสียงทิพย์นี่แหละคือใจของพวกเราอยู่ในอยู่ในโลกทิพย์โลกทิพย์นี้ก็มีหลายระดับมีตั้งแต่นารกขึ้นไปจนถึงพระนิพพานถ้าเปรียบเทียบก็เป็นเหมือนตึกสูงเหมือนคอนโดที่มีอาคารหลายชั้นด้วยกัน มีชั้นต่ำมีชั้นกลางมีชั้นสูงสุดชั้นต่ำก็คือชั้นใต้ดินเช่นที่จอดรถนี้อีกเขาจะมักจะทำอยู่ใต้ดินกันหรือห้องเก็บข้าวเก็บของหรือที่เก็บถังอุจจารปัศวะนี้จะอยู่ภายใต้ดินส่วนชั้นที่ดีเขาจะไว้ชั้นสูงสุด ที่เขาเรียกว่าเพนทเาเวลาซื้อคอนโดนี้ถ้าอยากจะได้ชั้นสูงสุดก็ต้องจ่ายเงินมากกว่าชั้นอื่นๆชั้นใดโลกทิพย์ก็เป็นอย่างนี้โลกทิพย์ก็มีชั้นต่างชั้นต่างกว่าชั้นดินเราเรียกว่าอบ า, ายเป็นที่อยู่ของเดลรชาของเปรดของอสูรกายของสัตว์นโลก สันนิโรธนี้ก็เป็นกายทิอสุรกายก็เป็นกายทิพเปรตก็เป็นกายทิพไม่มีร่างกายมีเพียงแต่เดรัจฉานเท่านั้นที่มีร่างกายเหมือนกับมนุษย์มนุษย์ก็มีร่างกายแต่มนุษย์นี่ดีกว่าเดรัจฉานคือไม่ได้อยู่ในอบายอยู่ชั้นสูงกว่าเดรัจฉานคือชั้นของมนุษย์ แต่ต่ำกว่าของเทพของพรองค์ของพระอริยเจ้านี่คือโลกทิพย์เป็นอย่างนี้เป็นที่อยู่ของกายทิพย์ทั้งหลายพวกเรานี้อยู่ทั้งสองโลกอยู่ทั้งในโลกทิพย์และอยู่ในโลกกทัทถตอนกลางวันเราก็อยู่ในโลกกทัทถเราใช้ร่างกายหาความสุขผ่านทางร่างกาย ผานทางตาหูจมูกลิ้นกายส่วนตอนกลางคืนเวลาหลับนอนหลับเราก็ใช้กายที่หาความสุขหาความสุ ข, ห, สขหรือหาความทุกข์ก็อยู่กับบุญกับบาปที่เราทําไว้ถ้าคืนไหนเราฝันร้ายคืนนั้นก็แสดงว่าเราใช้บาปบาปกรรมกําลังออกฤทธิ์ออกผลถ้าคืนไหนเราฝันดี คืนนั้นเราก็ได้รับผลบุญผลบุญออกดอกออกผลให้กับเราแต่เป็นการออกดอกออกผลเพียงชั่วระยะเวลาสั้นๆเพราะหลังจากที่ร่างกายตื่นขึ้นมาผลของบุญของบาปตอนนั้นก็ถูกระงับไว้ชั่วคราวเราก็กลับมาอยู่กับร่างกาย กลับมาสุขมาทุกข์กับเหตุการณ์ผ่านทางร่างกายแต่พอร่างกายของเรานีตายไปไม่มีร่างกายแล้วทีนี้กายทิพย์ของเราจะรับผลบุญผลบาปอย่างเต็มที่เลยถ้าบุญมีกําลังมากกว่าบาปบุญก็จะดึงใจให้ไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆให้ไปสู่ถึงขั้นพระนิพพานได้เลย ถ้าบาปมีกำลังมากกว่าบุญบาปก็จะดึงให้ลงไปสู่อบายไ ป, ปาไปเป็นเปรัจานไปเป็นเปร่งไปเป็นอสูรกายไปเป็นสัตว์นรกแต่ถ้าบาปกับบุญนี้มีกำลังเท่ากันไม่สามารถดึงไปอบายบาปไม่สามารถดึงไปอบายบุญไม่สามารถดึงไปสวรรค์ได้เราก็กลับมาเกิดเป็นอนุษย์ นี่คือการทำงานของกฎแห่งกรรมทำกับกายที่ไม่ได้ทำกับกายหยากคือร่างกายร่างกายที่เป็นกายหยานี่พอตายไปแล้วเขาก็เอาไปเผากลายเป็นขี้เท่าที่ถางไปแต่กายทิพย์นี้ไม่ได้ตายไปกับกายหยาคือร่างกายกายทิพย์ก็จะถูกอำนาจของบุญและบาศ มาฉกชิงแย่งฝ่ายเหมือนกับการชักกระยอะฝ่ายไหนมีกำลังมากกว่าฝ่ายนั้นก็สามารถดึงไปทันฝ่ายนั้นได้ฝ่ายไหนมีกำลังอ่อน ก, กว่าก็ต้องปล่อยต้องตามไปไม่สามารถที่จะสู้กำลังของฝ่ายที่มีกำลังมากกว่าได้จะมีกำลังสู้เขาได้ก็ต่อเมื่อ ฝ่ายที่มีกําลังมากกว่าบทกําลังลงไปอ่อนกําลังลงไปแล้วกําลังของเรามีกําลังมากกว่าเราก็จะดึนกลับมาทางของเราได้ชั้นใดเรื่องของบุญของบาปก็เช่นนั้นเวลาบาดึงใจดึงกายทิพย์ของเราไปรับผลบาปในอบายพอกําลังของบาปอ่อนกําลังลงพอผลบาดกับผลบุญ มีกำลังเท่ากันเราก็ออกจากอบายกลับมาเกิดเป็นมนุษย์พอเราตายใหม่ถ้าบุญมีกำลังมากกว่าบุญก็จะดึงกายทิพย์ไปสวรรค์ขั้นต่างๆแต่ถ้าบุญหมดกำลังเมื่อไหร่บุญกับบาปมีกำลังเท่ากันเราก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มีบุญขั้นเดียวเท่านั้นที่จะทาให้เราไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมด ไม่ก็คือบุญขั้นพระนิพพานถ้าใครได้บุญขั้นพระนิพพานแล้วก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ต่อไปไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายนี่คือกายทิพย์ของพระพุทธเจ้าของป้าอาลันตัสสาวกทั้งหลายตอนนี้กายทิพย์ของท่านท่านอยู่ชั้นสูงสุดอยู่บนตึกคอนโดชั้นที่สูงสุด เป็นชั้นที่ไม่ต้องกลับลงมาใช้เวงใช้กรรมไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บใจอีกต่อไปกายทิพของพวกเราก็จะเป็นอย่างนี้ได้เหมือนกันเพราะตอนนี้เรามีทางที่พระเจ้าได้ทําไว้ให้พวกเราได้เดินกันแล้วขอให้เราเพียงแต่เดินตามทางที่พระเจ้าทรงสอนให้เราเดินตอนนั้นก็คือให้เราทาบุญละบา ชำระใจให้สะอาดเท่านั้นเองทำสามข้อนี้ได้เราก็จะกายทิพย์ของเราก็จะขึ้นไปสู่ชั้นพระนิพพานได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิด อ, อีกต่อไปได้นี่คือมงคลที่พวกเราได้รับกันจากการได้ฟังเทศน์ฟังธรรมในวันนี้คือจะได้ฟังเรื่องที่เราไม่เคยไม่ค่อยได้ยินได้ฟังกัน แล้วเมื่อเราได้ยินได้ฟังกันบ่อยซ้ำแล้วซ้ำอีกเราก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นกําจัดความนังเลยสงสัยว่านรกมีจริงหรือไม่สวรรค์มีจริงหรือไม่นิพานมีจริงหรือไม่ได้ทําให้เรามีความเห็นที่ถูกต้องว่าชีวิตของเรานี้ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายแต่อยู่ที่ร่างทิพย์อยู่ที่กายทิพย์กายทิพย์นี้แหละที่เราจะต้องส่งเสริม ต้องพัฒนาให้ไปให้ไปถึงพระนิพพานให้ได้ด้วยการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็จะมีความสุขใจสบายใจเรารู้แล้วว่าเรามีทางที่จะพาให้เราได้ไปสู่ความสุขที่แท้จริงให้เราได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ไม่ต้องไปเกิดในอบายอีกต่อไปนี่คืออนิสงส์ที่สงตัดว่าเป็นเอตัมมังกัลุุตตังเป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะเป็นเหตุที่จะทำให้ใจของเราได้ก้าวขึ้นสู่ทัางสุขและความเจริญตามลำดับจนถึงขั้นสูงสุดนั่นเองจึงขอฝากเรื่องของการมาวัด เพื่อมาฟังเทศฟังธรรมเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตนี้ให้ท่านได้นอมมาไปพินิจพิจานะรณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุดเพื่อความเป็นสิริมงคลที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุดติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีรัตนใจและบุญกุศล ที่ท่านได้มาบำเพ็กันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปับใจให้ท่านมีจากความสุขและความเจริญแค้วข้ า, าปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเทอ